ตั้งใจให้ดีมีสติสำรวมใจให้แน่วแน่ถ้าสำรวมใจไม่แน่วแน่ฟังธรรมะอะไรก็ไม่เข้าใจความรู้สึกนึกคิดมันส่งไปทางอื่นโน่น อ, อย่างท่านพูดอะไรให้ฟังก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไร หมายความว่าอย่างไรนี่ไม่รู้เลยถ้าส่งใจออกไปข้างนอกไปทางอื่นแล้วมันเป็นงั้นมันจะฟังอยู่สักกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจเลยเพราะนั้นการที่จะเข้าใจได้ต้องเอาสติไปสำรวมใจอยู่ภายในควบคุมใจจะให้มันคิดส่งสายไปทางอื่น เช่นนั้นแล้มันถึงจะเข้าใจธรรมะที่ท่านบรรยายไปได้โดยแจมแจ้ง <c oughs> อันนี้ที่ว่าความเคารพหรือความคาระวะนั่นนะพระศ า, าสดาทรงสแสดงไว้ก็มีอยู่หกอย่างความเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่ง ในพระสงฆ์หนึ่งในการศึกษาหนึ่งในความไม่ประมาทหนึ่งในปฏิสันฐานคือการต้อนรับหนึ่งนี่พิจ <c oughs> ุควรทำคารวะหกประการนี้แต่ไม่ใช่หมายเอาแต่พิกจุอย่างเดียวหรอก แม้รคเรหัดก็ต้องตั้งอยู่ในคาระวะธรรมหกอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงต่อหน้าภิกษุก็เลยกล่าวถึงเรื่องภิกษุโดยตรงเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ความเอื้อเฟื้อนะหมายความว่าเอาใจจดจอ่อมันระลึกถึง นี่แหละเรานับถือเราพุทธเจ้าเป็นครูเป็นศาสดาผู้ทงังสอนอันนี้เราก็ต้องหมันนึกถึงพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐอย่างไรเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าพระองค์เป็นผู้มีบุญนับสักใหญ่กลัวมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เขาได้สร้างสมบารมีมานานสร้างสี่อสงไขยปลายแสนมหากับกลัวว่าพระบารมีจะเต็มแล้วจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้อสำคัญก็พระองค์ทรงรู้แจ้งสัพเเยยธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลเป็นอกุศล และเป็นอภยากตาธรรมตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นอันว่าพระองค์ได้ค้นหามรรคผลนิพพานโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราได้ฟังพระประวัติของพระพุทธเจ้ามาอย่างนี้เราก็จึงได้เรื่อมใสนับถือ นี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องหมั่นนึกถึงพระองค์บ่อยๆมันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราหวนมาระลึกถึงพระธรรมอีกด้วยอพอเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องระลึกถึงพระธรรมต่อเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลาย มีพระประสงค์ที่จะช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ภัยในสงสารนี้ก็จึงได้อุตสาห์แสดงธรรมที่พระองค์เจ้าตารัสรู้แจ้งแล้วนั้นนะให้พุทธบริษั์ทั้งหลายฟังนะไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเนหนื่อยของพระองค์เลย <c oughs> อันนี้เป็นพระมหากรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลดังนั้นเราผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์มันก็ต้องเลื่อมใสในพระธรรมด้วยเพราะว่าคนเรานั้นจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติตระกูลยดถาบรรดาศักด์แต่อย่างใด เช่นอย่างที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ว่าณสัจจาวัสโรโหติณสัจจานะสัจจ า, นะาวัสโรโหติณสัจจาพรามโนโหติกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาพรามโนโหติ บุคคลจะเป็นคนเลวหรือจะเป็นคนประเสริฐเพราะชาติเพราะตระกูลหามีได้บุคคลจะเป็นคนเลวหรือจะเป็นผู้ประเสริฐนั้นมันขึ้นอยู่กับการกระทาขึ้นอยู่กับการกระทาความดีหรือความชั่วด้วยกายว า, าใจ เพระองค์เจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้นะให้พึ่งพากันสำเนียกให้ดีเนี่ยพระธรรมอันเป็นหลักของแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นจริงๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าสมัยนั้นพวกคณาจารย์ต่างๆก็ได้มีความคิดความเห็นในรัฐธิของตนแล้วก็สั่งสอน ประชาชนผู้นับถือให้มีความคิดความเห็นไปต่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเห่นทณานาจารย์บางพวกก็สอนให้คนนับถือเทวดาอินพร้มนับถือผูดผีปีชาดหมูนี้นะเป็นที่พึ่งให้เส้นสวงบูชาด้วย เนื้อสัตว์ต่างๆบ้างด้วยขนมนมเนยบ้างอะไรหมดนี่นะเนืยอที่นี้ศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์เจ้าจึงมาตราาัสภาษตนี้ไว้เพื่อไม่ให้พุทธบริษัทนั้นได้ลุ่มหลงไปตามลัทธิดังกล่ามานั้นเพราะทรงเห็นแจ้งแล้วว่าไม่ใช่หนทางทนทุกข์ การที่ไปอ้อนวอนวงสวงสิ่งสังสิตต่างๆในโลกให้มาช่วยตนให้พ้นทุกนั่นมันเป็นไปไม่ได้ใครๆจะไม่มีเวลาไปช่วยใครให้พ้นทุกไปได้ไม่มีผู้ที่ยังเกิดยังคล่องอยู่ในโลกนี้ก็ยังมีทุกอยู่แล้วทนายจะไปช่วยผู้อื่นให้พ้นไปได้ <c oughs> ผู้ใดมาเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็จะหายข้อข้องใจต่างๆตามลักธิมู่มนั้นนะแล้วจะมาเชื่อในคำสอนของพระเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้น่าว่าเป็นหลักสากลทีเดียวคำสอนของพระองค์ใครจะไปคัดค้านไม่ได้เลยแต่ก็จริงอยู่หรอกมีคนคัดค้านว่า <c oughs> ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้เขาก็พูดเป็นภาสิทไว้เหมือนกันในโลกปัจจุบันนี้นะเพราะเขามันเห็นกันมาบางคนทำดีแทบล้มแทบตายไม่ได้ดิบได้ดีอะไรก็มีเช่นเป็นข้าราชการทำดีซื่อตรงต่อเจ้าต่อนาย เท่าไรก็ไม่ได้เลื่อนขั้นสักทีอันบางคนนะเป็นคนประจบสอบพอล้วการงานไม่เอาไหนอย่างนี้ก็ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปมีอยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะเหตุว่าบุคคลในโลกอันนี้นะมันลำเอียงมันมีอคติอยู่สี่ประการนะลำเอียง เพราะรักใคร่กันลำเอียงเพราะเกลียดทางกันลำเอียงเพราะเข่าเพราะไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขหรือว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างนี้นะมันไม่มีปัญญามันจึงลำเอียงไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ ลำเอียงเพราะกลัวกลัวต่ออำนาจบางสิ่งบางอย่างเมื่อหากว่าทำอย่างนั้นแล้วกลัวจะถูกลงโทษบอกกลัวจะถูกตำหนิอะไรต่ออะไรไปแล้วก็เลยเบนไปในทางที่ไม่ดีไปอย่างนี้ก็มีนี่แหละ ผู้ใดก็ตามเลยถ้าหากว่าตั้งอยู่ใน อ, อาคติทำสี่ประการนี้แล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมนั่นแหละไม่เป็นไปเพื่อความเจริญได้ <c oughs> อันทำดีได้ดีมีที่ไหนนะั่นเขามีอยู่ทม้งไปในโลกนี้เขาทำดีแล้วได้ดีทำไมจะไม่มีอไอคน ที่อยู่ร่วมกันได้ในโลกอันนี้นะตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นแรงอยู่หมนี้มันร่วนตั้งแต่เป็นคนดีทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันดีระดับหนึ่งไม่ใช่ดีรุน่นๆทั้งหมด <c oughs> เราจะไปเอาดีรุน่นๆทั้งหมดมันจะไปได้มาที่ไหนนะมีตั้งแต่พระอระหันต์เท่านั้นนะท่านดีรุน่นๆเลยเพราะท่านละอาสวะกิเลสหมดทิ้นไปแล้ว สำหรับผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสไม่หมดเนี่มันก็ต้องมีดีบ้างมีเสียบ้างเป็นธรรมดาอย่างนี้เลยแต่ว่าเราต้องถือเอาการทําความดีนั้นมากกว่าความชั่วเป็นหลักเครื่องวินิจฉัยว่าใครเป็นคนดีหรือคนชั่วนี่มันอันนี้เป็นเครื่องวินิจฉัย <c oughs> ถ้าว่าบุคคลผู้นั้นทำความชั่วมากกว่าทำดีก็เป็นอันว่าใช่ไม่ได้จะถือว่าเป็นคนดีไม่ได้อย่างนี้แหละผู้ที่มีใจเป็นธรรมก็ต้องวินิจฉัยกันลงอย่างนี้เร่อ <c oughs> นั้นน่ะอันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่ามีเหตุมีผลเพียงพอยุติธรรมที่สุดเลย ข้อที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะั้นเพราะว่าการทำดีบางอย่างมันก็ยังไม่ให้ผลอย่างนี้นะคนผู้ไม่รอบคอบแล้วก็ทำความดีวันนี้อยากจะให้ได้ผลวันพรุ่งนี้ไปเลยอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้ผลอย่างวันพรุ่งนี้แล้วตามเป้าหมายแล้วก็ถือว่าทำดีไม่ได้ดีเนียมันไปอย่างนั้นเพราะว่าความดีบางอย่าง บุคคลทำลงไปแล้วมันก็ยังไม่ให้ผลก่อนอันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งทำไมแล้วมันถึงไม่ให้ผลทันทีนั่นเคยคิดกันบ้างไหมนี่แหละที่มันไม่ให้ผลทันทีก็เพราะว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลคนนั้นทำมาแต่ก่อนนั่นมันยังให้ผลอยู่นี่เหตุนั้นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลทำในปัจจุบันนี้ มันจึงยังให้ผลไม่ได้มันจะไปก้าวไก่กันอย่างนั้นไม่ได้เลยมันจะไปถือเอาอย่างความคิดเห็นของคนบางคนหรือลทัทิบางละทิที่ว่าทำบุญล้างบาปออย่างนั้นเนี่ยมันไม่ไม่ถูกไม่ได้ไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างที่มีของถูกกะปกมาแปดเฟือนร่างกาย เข้าไปแล้วก็รีบเอาน้ําล้างแล้วเอาผงซักควอกอะไรมาขัดเข้าไปแล้วมันก็ออกไปเลยอย่างนั้นอไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้มันหมายถึงกรรมชั่วในปัจจุบันเมื่อบุคคลกระทากรรมชั่วลงไปในปัจจุบันนี้แล้วรู้ตัวว่าตนได้ทําผิดไปแล้วอย่างนี้ก็อธิษฐานใจละเว้นไม่ทํามันอีกต่อไป หรือไม่ใชงก็ไปสมทานกับผู้ทรงคุณอุตทิศที่สูงกว่าตนไปสมทานสินนะ่ตนล่วงศินข้อไหนผิดศินข้อไหนแล้วก็ยอมรับผิดแล้วก็ไปสมทานกับท่านผู้มีสินกว่าตนนั้นต่อจากนั้นไปก็สํารวมระวังไม่ร่วมเกินต่อไปอันนี้ยังมีหนทางที่จะละ ความผิดที่ตนได้ทำมานั้นได้อยู่แต่ว่าความผิดอะไรที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู่นนะกรรมอันนั้นนะมันตามมาสนองแล้วมันตามมาให้ผลแล้วจะไปลบล้างมันไม่ได้เรื่องมันนะต้องให้เข้าใจเป็นขั้นตอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทำความดีบางอย่างมันบางทีมันอาจมีความชั่วสกัดไว ตนอาจได้ทำคำรรชั่วอย่างไรมาแต่ก่อนนูน่นกครำรชั่วนั่นแหละมาตัดรอนเรื่อยไปตนจะทำดีมากมายยังไงมันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้มีบุคคลผู้ที่ ไ, ม, ไ ม, รรม่ไม่เชื่อกรคมไม่เชื่อผลของคำแล้วมันก็อย่างว่ากดดิ้นไประเ บ, บิดนี้น ะ, ะเสียใจเอไปโทษผู้บงังคับบัญชานู่นอผู้บงังคับบัญชารำเอียงหนะัว ตนทำดีแทบตายไม่มีใครเหลียวแลเลยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องคนเรามันต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถ้าตนทำดีในปัจจุบันนี้เต็มที่แล้วยังไม่มีใครยกย่องสรรเสริญก็แสดงว่ามันมีกรรมชั่วที่ทัวทรมาแต่ก่อนนั้นมาสกัดกั้นไว้มันถึงเป็นอย่างนั้น นี่ถ้าผู้ใดนึกถึงกรรมในอดีตที่ตนทํามาได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปยกโทษใครแหละไม่ต้องไปโทษใครอถึงแม้ว่าผู้บงังคับบัญชาจะลำเอียงอลำเอียงนั่นก็เข้าใจว่าเขาเป็นกรรมของผู้นั้นเองโดนบันดาลให้ผู้บงังคับบัญชาไม่ชอบใจกับผู้นั้นเพราะว่ากรรมของตัวเองนะมันไปบันดาล น, นะอต้องนึกอย่างนั้น เมื่อนึกถึงกรรมของตัวเองแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแบบ น, ะะนี้ไม่ไปโทษผู้อื่นกรก้มหน้าใช่กรรมไปเมื่อกรรมอันนั้นมันหมดอายุลงเมื่อใดผู้นั้นทำความดีไม่ทอไม่ถอยมันก็ค่อยเจริญขึ้นโดยลำดับไปอย่างนี้แ <c oughs> ม้ว่าผู้อยู่ครองเรือนก็เหมือนกันหรือผู้ ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัตวาสสนานี่ก็เหมือนกันธรรมะนี่นับว่าอันเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ภาคันเข้าใจหลักคำสอนของุติเจ้าข้อนี้ที่ว่าบุคคลจะเลวจะเป็นคนเลวหรือจะเป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติเพราะตระกูลนั้นหาไม่ได้นี่นะพระองค์เจ้วตัดว่านะตัดไว้อะ บางทีคนเลวละเกิดมาในตระกูลต่ำกลับเป็นคนได้ดีมีลาบมียศมีสันเสริญนเยินยอออกบวชไปก็ได้สาเร็จอรหัตอรหันต์ก็มีอยู่ถมไ้ในครั้งพระพุทธเจ้านั้นนะอย่างนี้นะคนที่เกิดในตระกูลต่ำเป็นคนขอทานก็มีเป็นอย่างนั้นบางทีเป็นคนที่เกิดในตระกูลสูงเช่นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็น พระราชามาหากษัตริย์ัตมีจิตใจเป็นอกุศลประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้บรรดานักปราชญ์บัรดิตทั้งหลายท่านไม่ยกย่องสนรเสรินเลยแล้วกรรมชั่วที่เขาทํานั้นก็จะต้องให้ผลเขาเอไม่ให้ผลในปัจจุบันก็ต้องให้ผลไปในอนาคตเพื่องหน้าต่อไปอืเป็นอย่างนั้น คนเรานี่นะถึงจะเป็นคนที่เกิดในตระกูลสูงอย่างไรก็ตามเมื่อทำความชั่วลงไปแล้วก็ตกต่ำลงไปได้เหมือนกันไม่ใช่จะเป็นผู้ประเสริฐอยู่ยนั่นเรื่อยไปหาไม่ได้ดังนั้นเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องให้เคารพต่อพระธรรมคำสอนต่อการกระทำนั่นแหละเราต้องพยายามถามความดีเข้าไป ถึงแม้ว่ามันยังจะไม่ให้ผลในปัจจุวัน์นี้ก็ช่างเราทำความดีแล้วต้องดีใจแน่นอนใครจะสนเสริญหรือใครจะนินทาไม่สำคัญอันนั้นนะเราไม่เกี่ยวขอจะให้ใจของเราบริสุทธิ์จากกิเลสปาประธรรมก็พอใจแล้วคนอื่นจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามนี่ให้ถือเอาหลักนี้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่าไปถือเอา ตามสมมุตินิยมของโลกว่าเมื่อทำดีลงไปแล้วต้องให้คนมายกย่องสรรเสริญจึงค่อยถือว่าตนทำดีจึงว่าถือว่าตนได้ดีจึงมีกำลังใจทำความดีต่อไปถ้าทำดีอะไรไปแล้วไม่มีใครยกย่องสรรเสริญล้วหมดกำลังใจลงออย่างนี้ในทางธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเลย ทรงสอนให้เราพอใจในการกระรร <c oughs> ทาทรงสอนให้เคารพต่อการกระทาความดีในกายในวาจาด้วยใจของตนเองนี่ทำอย่างไรความประพฤติทางกายวาจาใจนี้จะตรงต่อศีลต่อธรรมต่อคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็เราพยายามทาลงไปเมื่อเราทำดีลงไปแล้ว ใครจะตีชิ้นนินทะก็ไม่ต้องเสียใจเมื่อดูความประพฤติของตนว่าไม่ผิดพลาดแล้วไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดใครนะนั่นและเราก้มหน้าทําความดีเรื่อยไปทีนี้เมื่อเมื่อความดีที่ตนทํามาแต่ก่อนโน้นนะมันหมดอายุลงไอ้ความดีที่ตนทําในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลสืบต่อได้เลย บางคนก็ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีแต่บางคนก็ยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนะไปให้ผลในชาติต่อไปเป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้นั่นมีอยู่ทมไปในขัง้งพระพุทธเจ้านั้นนะบางคนก็ทำความดียังไรมันก็ไม่ได้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีอย่างนี้แหละท่านก็ไม่ถอย วันนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์นูนก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างนี้เลยการที่เราทําความเคารพต่อพระธรรมคาสอนของพระเจ้าเมื่อเคารพต่อพระธรรมส่งเคารพต่อพระสงค์ด้วยวันนี้เพราะว่าพระสงฆ์นั้นได้นําเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนําทางสอนผู้อื่นต่อไปอีก อย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์บวชสืบต่อกันมานี่ก็ไม่มีใครที่จะศึกษาเราเรียนและจดจาเอาพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนกันมาประพฤติปฏิบัตถถิสืบต่อกันมาได้จนถึงบัดนี้นะเพราะว่าถ้าหากว่ามีแต่พูกครองเรือนทั้งหมดอย่างนี้ต่างคนต่างก็มีการงาน ล่นมืออยู่ไม่มีเวลาที่จะได้ศึกษาเล้วเรียนทำรรมวินัยอะไรเช่นนี้แล้วาศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เสื่อมจากโลกนี้ไปหมดแล้วป่านนี้นะดังนั้นแล้วพระสงฆ์นี้จึงชื่อว่ามีพระคุณต่อโลกอันนี้นับว่ามากมายทีเดียวนะอ่าพิจารณากันให้ดี <c oughs> เนี่ยที่ท่านสอนให้เอื้อเฟื่องในพระสงฆ์หรือว่าเอื้อเฟื่อในพระธรรม เราหมั่นลรวลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระเจ้าที่ท่านที่เราได้ยินได้ฟังมาอย่างเช่นแสดงให้ฟังในวันนี้แหละว่าท่านแสดงเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้ก็จาเอาไว้แล้วก็หมั่นระลึกหมั่นพิจารณาในใจเสมอแล้วเราก็รู้จักแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องได้แบบนี้แล้วก็เคารพต่อพระสงฆ์แบบนี้นั่นนะแล้ว ทีนี้ในความเคารพต่อไปนันวะเคารพต่อการศึกษาเรื่อเรียนนะี่นะเนี่ยการศึกษาเรา่เรียนนี่กาา็นันวาสาคัญมากเพราะว่าเราไม่ได้รู้มาแต่เมื่อเกิดเกิดขึ้นมาแล้วเราจึงได้มาศึกษาเรา่เรียนเอาให้คิดอย่างนั้นเมื่อหากว่าผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาอย่างนี้น ะ, ะบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจศึกษาเร่เรียนท่องบน จดจำเอาพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้หรือผู้เป็นทายกทา ย, ยิกาอย่างนี้ไม่มีเวลาจะได้ท่องบนจดจำา น, นั้นเจ็ดวันก็พยายามเข้าวัดสักครั้งหนึ่งมาฟังคำสอนของพระุทธเจ้าเข้าไปเมื่อฟังแล้วก็พยายามจดจำเอาให้ได้แล้วก็เอาไปคิดไปตรีตรองต่อพฤ่งปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถของตนนะ อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้เคารพในการศึกษาเราเรียนวันนี้ก็ในขั้นต่อไปนั้นเคารพในการศึกษาเคารพในความไม่ประมาทนี่ความไม่ประมาทนี่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก คำว่าเคารพในความไม่ประมาทในที่นี้ก็หมายเอาความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ประจำกายวาจาใจของตนของตนเสมอเนี่ยคอยระมัดระวังความประพฤติของตนคอยควบคุมจิตใจของตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมอะไรมาเออ ลึกหรือว่าตื้นขนาดไหนก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเติอมออย่างนี้ล้วถึงเรียกว่าเป็นผู้เขารบต่อความไม่ประมาทกรงกันข้ามถ้าเมื่อตนได้เรียนรู้จดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ไม่ทบทวนไม่ทบทวนให้ความจำมันเป็นปกติ ละเลยเสียนานไปก็ลืมเลือนหมดนึกหาทมหาวินัยอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้นะจะถือว่าเป็นผู้ไม่เคารพนั่นเนี่ยเป็นผู้มีความประมาทในธรรมในวินยัยหรือว่าตนเคยไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามาแต่ก่อนเอา้าทำไปทำไปไม่ไม่ค่อยเห็นผลทางจิตใจเท่าไหร่ก็ เบื่อหน่ายแล้วท่อใจแล้วและเกียดคลานขึ้นมาเคยไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่นั่งซะแล้วเดี๋ยวก็ไปทาหมุนทานี่เรื่อยไปอพอให้วันเวลามันหมดไปหมดไปแล้วกอแล้วไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ประมาทในข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญธรรมถะและวิปัสสนานี่ให้เข้าใจไว้ และข้อสุดท้ายได้แก่การเคารพตอบปฏิสันฐานการต้อนรับอันนี้พระศ า, าสดาก็ทรงตรัสว่าเป็นธรรมะควรปฏิบัติตามพราะคนเรานั้นมันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีหมู่มีคณะแล้วมันต้องมีเพื่อนฟูงเอถ้าเป็นนักบวดก็เรียกว่ามีนักบวดนั่นแหละเป็นเพื่อนฟูง ไปมาหาสู่กันหรือว่ามีญาติโยมผู้มีศรัทธาเรื่อมใสนั่นแหละไปมาหาสู่ทำบุญทำทานอะไรหมนี่นะนี่เพราะฉะนั้นนักบวชก็ต้องมีหน้าที่ปฏิสันฐานต้อนรับแขกคนไปมาทั้งบรรพชิตและทั้งคฤหัสถ์แล้วไม่ไม่แสดงความลำเอียง บางคนแขกบางคนมาอาจจะแสดงความแสดงกิริยามารยาทไม่ค่อยสุภาพเรียบร้อยก็มีบางคนบางท่านก็เรียบร้อยดีก็มีอย่างนั้นเราอย่าไปถือมันเมื่อเขาแสดงกิริยามารยาทไม่สุภาพเรียบร้อยนะั้นเราก็รู้ได้ว่าเออคนผู้นี้มีนิสัยอย่างนี้เท่านั้นแล้วเราก็แสดงกิริยามารยาทของเรา ให้ดีเป็นปกติเราไม่แสดงกิริยาอันไม่ดีไม่งามตอบโต้กันนะนี่เรียกว่าผู้เป็นเจ้าถิน่นสาหรับต้นรับแขกที่มาเยือนแล้วต้องระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจไว้ให้ได้วันนี้ผู้ที่เป็นแขกสมมติว่าเรานะไปสู่ถิ่นที่ของผู้อื่นอย่างนี้นะเราก็ต้องรู้ตัว ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานที่นั่นๆต้องเคารพต่อสถานที่ต้องเคารพต่อบุคคลที่เป็นเจ้าของทินต้องรู้จักสังเกตว่าในคนหมูน่นะี้เขามีระเบียบอย่างไรเขาอยู่กันอย่างไรแล้วเราจะวางตนอย่างไรถึงจะเข้ากับคนหมู่นี้ได้ดี หรือว่าถ้าหากว่าเป็นนักบวชนี่ไปสู่วัดวาอารามของผู้อื่นก็เหมือนกันเราก็ต้องไปสังเกตดูว่าวัดนี้ท่านมีระเบียบมีกติกาสง์อย่างไรถ้าไม่รู้ก็ต้องถามอต้องถามท่านเจ้าอาวาสหรือว่าถามเพื่อนภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดนั้นให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจระเบียบกติกาสง์ในวัดนั้นเนี่ยเราก็พยายาม ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นอย่าไปขาดขวางระเบียกบกติกาของเพื่อนนี่ถึงเรียกว่าเคารพในความไม่มเค า, ารพต่อการปฏิสันฐานคือการต้อนรับอันนี้แหละได้ชื่อว่าคาระวะธรรมให้เพึ่งพากันเข้าใจ ไม่ใช่ว่าเป็นธรรมอันที่ไม่ควรศึกษาไม่ควรจำบางคนก็ว่าแก่ปริยัติเกินไปถาไหนการปฏิบัติมันจะก้าวหน้าไปได้ผู้ผู้มีความเห็นอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ควรเอาตามตั้งแต่ไหนทะัยมาหละไอการศึกษาเราเรียนนี่มันเป็นบุภาพภาคเบื้องต้นแห่งชีวิตเลยทีเดียว าบางคำพวกนั้นมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าภาษาวกบางท่านบางเหล่านั่นท่านมีอินทรีย์บา ร, รมีแก่กล้าเต็มที่แล้วถ้าหากว่าเทียบกับผลไม้อย่างนี้ขั้วมันเน่าแล้วผลไม้ลูกนั้นนะมันคอยแต่จะหลุดร่วงลงเท่านั้นเองนะหมายความว่า ท่านผู้นั้นน่ะได้สร้างบุญกุศลได้ฝึกตนมาเต็มที่แล้วนในชาติก่อนหนหลังมานโน่พอมาได้ฟังคำสอนของุู้เจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลยจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไปได้โดยสิ้นเชิงก็มีอยู่ทมไปนั่นนั้นเรียกว่าท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทร์บารมีที่ท่านเอาทุกข์เป็นทุนสร้างบุญสร้างกุศลมาแต่อดีตชาติหนหลัง นั่นมากมายแล้วไอ้ผู้ที่ยังมีอินทรียังอ่อนอยู่เนี่ยแล้วจะไปฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบลงจะให้ได้มักได้ผลเหมือนอย่างท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้านั่นไม่ได้มันต้องให้เข้าใจขั้นตอนอย่างนี้ชีวิตของคนเราเมื่อเราว่าตนนั้นอ่ะอินทรียังอ่อนอยู่บุญบา ร, รมียังน้อยอยู่ ก็พยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นอพยายามทำความเคารพเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นี่แหละให้มากหมั่นระลึกถึงพระคุณรังสามนี่บ่อยๆจนว่าเกิดศรัทธาเรื่มใสยอย่างแรงกล้าขึ้นไปเมื่อมีศรัทธาเรื่มใสแรงกล้าขึ้นไปเท่าใด มันก็ยินดีในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นแหละถ้าศรัทธาอ่อนแอแล้วการปฏิบัติธรรมก็ไม่เข้มแข็งมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจในและที่ท่านสอนให้มันระลึกถึงน่นะก็เพราะว่าใน้บุคคลที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านั่นนะเราจะไปคิดค้นหาหนทางหลุดพ้นจากกิเลสด้วยตนเอง ด้วยสติปัญญาของตนเองนั้นไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องได้อาศัยท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านท่านรู้มาก่อนแล้วนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นตนนะเป็นแบบอย่างเป็นที่ระลึกให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราได้ระลึกถึงท่านผู้วิเศษอย่างนั้นมาแล้วเราก็ต้องการอยากจะเป็นผู้วิเศษเหมือนกันเช่นนี้มันก็เป็นเหตุให้เรามีกาลังใจ เข้มแข็งยินดีประพฤติปฏิบัติตามพุทธโอวาทให้เต็มความสามารถทีเดียวเป็งนงั้น <c oughs> แล้วก็เคารพในความไม่ประมาทอย่างนี้นะมันล้วนตั้งแต่เป็นทำทาให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามนั้นมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยเช่นผู้ไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะ อยู่เสมอนี่มันก็ระลึกถึงกิจวัตรของตนได้เช่นอย่างผู้ครองเลือนอย่างนี้มันก็ระลึกถึงทานการกุศลที่ตนจะพึ่งบำเพ็ญที่จะพึ่งกระทำอยู่เสมอเสมอหาโอกาสบำเพ็ญทานการกุศลเรื่อยไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในทานแล้วพยายามมีสติระลึก ถึงกายวาจาใจของตอนอยู่เสมอว่าตนนั้นสัมรวมด้วยดีอยู่หรือไม่สัมรวมไม่ไม่ล่วงละเมิดพุทธบัญญัติที่ตนสมทานมาแล้วน ะ, ะความประพฤติ ท, ทางกายทางวาจานะนะัเรียบร้อยอยู่หรือไม่ผิดพุทธบัญญัติหรืออย่างไรนี่สติระลึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สัมปชัญญะก็กำหนดรู้ กำหนดทบทวนดูเมื่อทบทวนดูก็รู้ได้ว่าถ้าหากว่าตนไม่ประมาทตนสมรวมตนด้วยดีอยู่ยนี่ก็รู้ได้ว่าตนมีศีลบริสุทธิ์อยู่สมมติว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงคำ่ำวันนี้ตนก็ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยอย่างนี้นะก็รู้ได้นี่แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เคารพ ต่อศีลเป็นผู้ไม่ประมาทในศีลผู้ประมาทนี่สมทานศีลไปแล้วก็ไม่ลำพึงไม่มีสติสมัชย์ญาคอยระมัดระวังความประพฤติทางกายวาจาอย่างนี้นะก็ทําให้ศีล น, นั้นมันด่ังมันพร้อยหรือมันขาดไปโดยไม่รู้ตัวก็มีนี่แรีย ว, ว่าเป็นผู้ประมาทในศีลแต่อย่างนั้นเป็นผู้เคารพต่อการสมาธิภาวนา สมาธินี้ไม่ได้หมายว่าเราจะไปมีสติควบคุมจิตแต่เวลานั่งสมาธิเท่านั้นเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็วมี ส, สมติสัมปชัญญะประครับประคองจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอนั้นด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็ให้ตั้งมั่นสม่ำเสมอเรื่อยไปเส้นนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในสมาธิ เนี่ยผู้ประมาทก็คงกันข้ามเลยเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็ไม่ระมัดระวังจิตใจตัวเองปล่อยให้ใจมันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆยินดีบ้างยินร้ายบ้างเสียใจบ้างอะไรไปอย่างนั้นนะโกรธบ้างอย่างนี้นั่นชื่อว่าเป็นผู้ประมาทในสมาธิไม่เคารพต่อสมาธิภาวนาทีนี้ เป็นผู้ระมัดระวังรักษาปัญญาความรู้ความฉลาดอันใดที่ตนได้สร้างขึ้นมาในจิตใจของตัวเองเช่นอย่างว่าตนภาวนาใจสงบลงไปแล้วได้พิจารณาไคร้ควรทำ ม, มะของจริงต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นตนก็ได้รู้ได้เห็นเช่นอย่างว่า อัตภาพร่างกายอันนี้แหละเมื่อใจสงบลงไปแล้วได้เพ่งพิจารณาดูก็เห็นว่ามันเป็นสรรภาวะที่ไม่เที่ยงจริงถ้ามันเที่ยงมันจะไม่แปรผันอย่างนั้นมันจะไม่สุดโทมอันนี้มันเป็นความจริงซึ่งใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเราก็ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้เสมอไปแล้วเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ ทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้ก็ร่างกายอันนี้แหละมันทนอยู่ได้ที่ไหนละ่ะมันวิบัติมันแปรปวนไปมันก็ค่อยสุดโทมไปสุดโทมไปเอวันคืนปีเดือนร่วงไปร่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนปีเดือนอย่างเดียวร่างกายสังขาร น, นี่ก็สุดโทมไปร่วงโรยไปเหมือนกันหละเป็นอย่างนั้นพระศาสตราทรง สอนให้เรานึกเปรียบเทียบกับธรรมชาติภายนอกมาเปรียบเทียบกับอัตภาพร่างกายภายในมันก็ทราบซึ่งดีไปอย่างนั้นก็สิ่งใดเป็นทุกข์ก็แสดงว่าตนนั่นบังคับไม่ได้เลยบังคับไม่ให้ไม่ให้มันเป็นทุกข์ไม่ให้มันวิบัติแปรปรวนบังคับไม่ได้เลยนั่นแหละก็จึงได้ชื่อว่าอนัตตานั่นแหละ มันบังคับไม่ได้ก็ต้องถือว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเท่านั้นเอาถ้าไม่ใช่ตัวตนของเราทาไมยังมาอาศัยมันอยู่ล่ะร่างกายอันนี้ที่มาอาศัยมันอยู่ก็เพราะตนยังไม่รู้แจ้งตนยังปรงมันไม่ได้วางมันไม่ลงนะยังยึดมั่นถือมัน่นมันอยู่แต่ชาติก่อนโหนหลังมาโนยังสาคัญว่ามีตัวมีตนอยู่นี่นะความสาคัญว่ามีตัวมีตนอยู่นี้แหละ มันก็เป็นเหตุให้ใช่กายใช้วาจานี่ทําดีบ้างทําชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็เลยติดตามมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี่ให้ดวงขิดได้อาศัยเอเพราะว่ามันมีทั้งกรรมดีกรรมชั่ววันนี้ถึงวรรคกรรมดีให้ผลก็มีความสุขกายสบายใจไปพอถึงวารคกรรมชั่วให้ผลก็ได้ประสบความทุกข์กายทุกข์ใจ สลับกันไปอย่างนี้บุคคลผู้ทําทั้งกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมานี่มันก็ต้องรู้แจ้งอย่างนี้แหละเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วเราเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ตอนที่มาอาศัยอยู่ในอาชีพร่างกายอันไม่เที่ยงในมันแสนทุกข์ทรมานเช่นนี้แล้วก็สอนใจตัวเองให้ปรองให้วางลงือวางลง อย่าไปยินดีกับร่างกายอันนี้เมื่อเวลาร่างกายนี่มันปกติไม่มีโรคไครเบียดเบียนกินได้นอนหลับก็อย่าไปเพลิดเพลินกับมันก็ต้องให้กำหนดรู้ว่าถึงมันจะไม่วิบัติในตอนนี้ต่อไปมันก็ต้องวิบัติแน่นอนสุดท้ายมันก็ต้องแตกดับแน่นอนก็ต้องรู้ร่วงหน้าไว้อย่างนี้เลย เมื่อเวลามันวิบัติแปลปวนลงไปก็สอนใจอย่าให้มันเสียใจอย่าให้มันเศร้าโศกอย่าให้มันสะดุ้งหวาดกลัวต่อความแปลปวนของร่างกายสังขาร น, นี้นี่ความเป็นผู้เคารพต่อปัญญาอันนี้นะเรียกว่าเราพยายามซักซ้อมความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งอยู่เสมอไป จึงเรียกว่าเคารพต่อปัญญาความรู้ในทางธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้คนเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งในทธาตุสี่ขันธ์ห้าที่ดวงจิตได้อาศัยอยู่นี่แหละแล้วมันเมื่อรู้แจ้งแล้วมันจะได้ปล่อยวางแล้วจะได้พ้นทุกข์พูกง่ายๆ จะได้พ้นทุกไปถ้าหากว่ามันปล่อยวางไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่มันก็ปล่อยวางไปได้มากอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าเราปล่อยวางไอ้ความถือว่าตนเป็นคนนี่นะได้อย่างนี้นะมันก็ค้นจากความเป็นคนเราไปเป็นเทวดาอ่านี่แหละไปเป็นเทวดาแล้วบางทีได้ฟัง ก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปปัญญาบังเกิดขึ้นก็ปล่อยวางรูปนามอันเป็นเทวดานันลงเสียได้อย่างนี้ก็เลยเป็นพระอริยบุคคลไปนนก็เลยสำเร็จมรรคผล น, นิพพานไปนี่แหละในความเป็นผู้เคารพต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญานี่นับว่าเป็นการเคารพต่อคุณธรรมขั้นสูง หรือว่าอีกในหนึ่งก็เรียกว่าเป็นผู้เคารพต่อหนทางตรงไปสู่สวรรค์ตรงไปสู่พระนิพพานไม่มีผิดเลยเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามถ้ า, าว่าผู้ใดขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาในความไม่ประมาทในปฏิสันฐานการต้อนรับ ดังกล่าวมาแล้วนี่ผู้นั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความเจริญน ะ, ะชีวิตของคู้นั้นย่อมไม่เจริญรุ่งเรืองด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติปัญญาต่างๆแล้วจะละบาปออกจากกายวาจาใจก็ไม่ได้หากว่ามันมีบาปอยู่ในใจนั้นก็ละไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นผู้ไม่เคารพนี่ เมื่อไม่เคารพแล้วก็เป็นคนแข็งกระด้างกระเดื่องเนี่ย <c oughs> เป็นคนแข็งกระด้างกระเดื่องลเลยกลายเป็นพวกเป็นคนไม่เชื่อต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ไป <c oughs> เมื่อไม่เชื่อต่อพระคุณทั้งสามประการนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นคนประมาท <c oughs> <c oughs> เป็นผู้กระทำความชั่วด้วยกายวาจาใจมีฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่ามุสาวาดดื่มสุราเมรยัยกัญชายาผิ่นเฮโรอีนเล่นการพนันขันต่ อ, อทำตัวเป็นโจรเป็นขโมยไปชีวิตก็เลยตกต่ำไปเรื่อยๆทีเดียวผู้ใดประมาทในพระคุณทั้งสามนี้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ประมาดในการศึกษาเล่าเรียนหมนีนะมันก็ทำให้ไม่มีสติไม่มีปัญญาอันนี้อยากจะพูดย้ำให้ให้แน่นอนลงไปจริงๆเลยแหละเพราะว่าการศึกษาเล่าเรียนนี้มันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาไอ้บุคคลนั้นไม่ใช่ว่ารู้มาแต่เมื่อเกิด <c oughs> เกิดมาแล้วกว็ามาศึกษาเล่าเรียนเอา <c oughs> คนพูดเท่ประมาทในการศึกษาเล่าเรียนนะแในครั้งพทธเจ้านั้นก็มีพระสาวกอง์หนึ่งชื่อว่าพะ ร, ร, ร, ร, ราพะโรรุทายีนี่พระโรรุทายีนี่บวชเข้ามานมนานเลยไม่มีความรู้อะไรแต่พยักอวดดีอันนี้เมื่อ ได้ได้โอกาสก็ไปนั่งอยู่บนธรรมะในศาลาหรืออะไรอย่างนี้นเป็นนั่งอยู่บนอาสนะสูงเมื่อพระอาคันตุกะมาถึงเข้าเพื่อนก็นึกว่าเป็นพระผู้อาวุโสก็ไปไถ่ถามกันผันสมพัรษากันเมื่อรู้ว่าเพื่อนเป็นผู้มีพันธามากก็กราบไหว้กราบไหว้วเวลาเพื่อนถาม <c oughs> เวลาเพื่อนถามข้อวัดปฏิบัติถามข้ออัดข้อทำเข้าไปตอบไม่ได้เลยออตอบไม่ได้พระเถระเหล่านั้นก็ตำหนิติเตียนว่าแม้บวชมานานแล้วก็อยู่ใกล้พระศาสดาเสียด้วยแล้วทำอะไรอยู่ท่านถึงไม่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าอออย่างนี้เมื่อพระมีผู้ไปกราบทูนพระพุทธเจ้าพระองค์เจ้า จึงได้ทรงแสดงอดีตชาติหนนหลังของท่านโลรุทายีนี่ว่าแปลว่าแปลว่าผู้เละอะคำว่าโลรุทายีนี่นะเป็นผู้เลอะเทอะคือว่าเป็นผู้ไม่มีระเบียบแบบแผนการพูดการจารอะไรก็เลอะเลือนไปเอาจริงเอาจังก็ไม่ได้ในอดีตแต่า ก, การหนหลังนูน่ะ พระพุทธเจ้าของเรานี่ได้ไปเสวยพระชาติเป็นปุโรหิตตาจารของพระราชาแต่แล้วก็ได้เป็นลูกของอันโลรุทายีนี่แหละท่านโลรุทายีนี่ข่าวนั่นน ะ, ะบันนี้ในบ้านของปุโรหิตตาจารนั้นก็ มีควายอยู่สี่ตัววันนี้ก็เลยมาตายไปเสียสองตัววันนี้ลูกชายเอ่ะก็ไปแนะนําพ่ออขอให้พ่อไปขอจากพระราชาว่างั้นถ้าจะให้ลูกนี่ไปขอแทนก็ไม่เหมาะออขอให้พ่อนี่ยไปขอเองเอ้าพ่อเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าจะไปพูดกับพระราชายังไงได้ อืมเอ้าไม่เป็นไร่ะลูกจะสอนแนะนํำให้เพราะงั้นพาพ่อไปสู่ป่าชานั้นเพื่อไม่ให้พ่ออายพ้นแล้วก็ไปทําลูกหุนสมมุติเราเป็นพระราชาไว้ออแล้ววันนี้ก็แนะนําให้พ่อเข้าไปเวลาไปที่แร ก, กเดินก้มไปพอไปถึงแล้วก็ใกล้ใกล้ช่างหน่อยแล้วก็คลานนี่นี่แหละอคลานเข้าไปแล้วก็กราบ วันนี้เมื่อกราบเสร็จแล้วก็ให้กราบทูลอย่างนี้นะลูกก็สอนให้นะว่าข้าแด่พระ อ, องค์ผู้เจริญขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พระราชสมภารเจ้าอันข้าพระ อ, องค์มาเฝ้าครั้งนี้นะั้นข้าพระ อ, องค์นั้นมีความทุกข์ร้อนอยู่อย่างหนึง่ง คือว่าที่บ้านของข้าพระ อ, องค์นั้นนะมีควายอยู่สี่ตัวแล้วก็มาตายเสียสองตัวแล้วข้าพระ อ, องค์ขอให้พระ อ, องค์ได้พระราชทานควายให้สองตัวไปเพิ่มกันให้ให้มีสี่ตัวตามเดิมเหมือนกันก็พยายามสอนให้พ่อนั้นท่องเอาจาเอาคำพูดอันนี้แหละให้ได้ สอนกันอยู่จนว่าพอแรงนะก็ใช้เวลานา น, นทีเดียว ก, กว่าว่าพ่อจะจําได้พอเห็นว่าพ่อจําได้สมควรแล้วบันนี้ก็ได้วันดีคืนดีก็พาพ่อเข้าไปเฝ้าพระราชาอพ่อก็ทําตามที่ลูกชายแนะนำเลยเวลาเข้าไปก็ดีพอเข้าไปทําคารวะเสร็จแล้วก็ ก็กราบทูลอ่าก็กราบทูลไปถึงตอนที่ว่าที่บ้านของข้าพระองค์นั่นนะอ่ะมีควายอยู่สี่ตัวขอถวายพระองค์ไปเสียสองตัวเลยววะงั้นเอาแล้วทีนี้พระราชาพระราชาก็ยิ้มเป้นแหมควายของกันปุูเหตุนี่มีหลายจริงนะ แล้วจะเอามามอบให้เราทสองตัวเมื่อพระราชาได้ทรงฟังอย่างนั้นแล้วก็เลยรู้ได้พอรู้ได้ก็ทรงรับสั่งให้มหาดเล็กไปจัดควายสองตัวเอามามอบให้แก่บิดาของปุโรหิตตาจาย์นั้นอืม응ก็เลยจึงได้ควายไปไถานาคลาดนา ครบสี่ตัวนี่แหละอันพระโรรุทายีนี่นะไม่ใช่เป็นผู้เลอะเทอะแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ว่างั้นแม้อดีตการนานมาแล้วแต่คนหลังนูน้นเขาก็เป็นคนเลอะเทอะอย่างนี้แหละว่างั้น <c oughs> อันนี้แหละผู้ที่ด้อยจากการศึกษาเราเรียนพระองค์ก็เปรียบไว้เหมือนอย่างควายถึก อืมีควายถึกที่มีกําลังแข็งแรงอ้นวนท้วนสมบูรณ์อืแต่ว่าควายนั้นไม่มีสติปัญญาอะไรเลยมันสมบูรณ์แต่เนื้อหนังมังสาเฉยนอันบุคคลผู้ที่ด้อยการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็เช่นเดียวกันนะถึงจะมีร่างกายอ้นวนท้วนสมบูรณ์แต่ว่าสติปัญญาไม่มี เหมือนอย่างโลรุทายีพิกุนี้แล้วอันนี้แหละเรียกว่าความประมาทเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้สดัตตรับฟังแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในอปมาธธรรมคือความไม่ประมาทดังที่แนะนำมานี้ทั้งอกตั้งใจเพียรพยายามละความชั่วทาความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้ก็จะกลายเป็นผู้ประเสริฐ ไปโดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้